จเจริพนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความย่ำสายในพระพุทธศาสนาทุกๆด้านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนบัรศษาของพระมหาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทางราชการจึงให้ศรัทธาญาโยมได้มีเวลาพักผ่อนหนึ่งวันเพื่อจะได้มาทำประโยชน์ทางด้านจิตใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มา ยางนับไม่ถ้วนว่าได้เกิดแก่เจ็บตายมามากน้อยกี่ครั้งแล้วให้มีโอกาสได้มาเข้าวัดเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐยิ่งกว่าคำสอนต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะความรู้คําสอนที่โลกนี้รู้และสอนกันนั้นเป็นคำรู้ทั่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือวิชาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นวิชาความรู้ที่ไม่สามารถทําให้ผู้ที่เรียนรู้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้เรียนจบถึงท่านปริญญาเองก็ยังจะต้องถูกความทุกข์มารุมเร้าจิตใจอยู่เสมอเพราะว่าความรู้ต่างๆทางโลกนี้เป็นความรู้ทางวิชาชีพเป็นความรู้ ที่ให้นำเอาไปเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายทำมาหากินถ้ามีความรู้ก็จะสามารถทำมาหากินมีรายได้ได้มากถ้ามีไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้มาก คนรวยคนจนส่วนหนึ่งก็เกิดจากความรู้นี้คนที่มีความรู้นักจะเป็นคนที่รวยกว่าคนที่ไม่มีความรู้ความรู้นี้ทําให้คนรวยคนจนได้แต่ความรู้ทางโลกนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ คนรวยก็ยังต้องทุกข์ใจอยู่คนจนก็ยังต้องทุกข์ใจอยู่เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้สอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆสอนแต่ให้สร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะความหลงคิดว่าการที่มีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทอง มากมากจะทำให้มีความสุขมากมากแต่ความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้เป็นความสุขทางร่างกายเท่านั้นเองส่วนความสุขทางใจนี้ไม่ได้เกิดจากการมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเพราะใจ ความสุขของใจกับความสุขของร่างกายนี้ต่างกันความสุขของร่างกายนี้อยู่ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้ซื้อสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่ไม่จำเป็นแต่เงินทองนี้จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจ หรือสร้างความทุกข์ใจได้นอกจากนําเอาไปทําบุญทําทานเท่านั้นถึงจะทําให้ซื้อความสุขใจได้ถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ต้องเอาเงินทองที่มีอยู่นี้ไปทําบุญทําทานจะได้ความสุขใจถ้าเอาไปซื้ออาหารมารับประทาน ก็จะได้ความสุขทางร่างกายถ้าไปซื้อของตามความอยากต่างๆก็จะเป็นการมาทําให้ใจมีความทุกข์เพราะความอยากนี้จะไม่มีวันหมดจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเกิดความอยากซื้อของถ้ามีเงินก็ไปซื้อมาได้ถ้าไม่มีเงิน ก็จะซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <c oughs> การซื้อของด้วยตามความอยากนี้เป็นการทําลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าซื้อมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอความอยากนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีน้อยลงไป ถ้าเราซื้อของตามความอยากซื้อของเต็มบ้านล้นบ้านแต่ความอยากก็ยังไม่หมดความอิ่มความพอยังไม่มีความสุขใจยังไม่เกิดมีแต่ความดีใจชั่วขณะที่ได้ซื้อของต่างๆที่อยากได้เท่านั้นพอไม่ได้ซื้อแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วยังถ้ายัางอยากซื้ออยู่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ถูกไปรับขมโมยไปช่อโกงนะก็จะทำให้ผิดศีลเป็นการกระทำบาปทำให้เกิดมีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นนะแล้วเวลาตายไป ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ต้องไปรับผลบาปที่ได้ทำไว้ผู้ที่ทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายในภพใดภพหนึ่งเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเกิดเป็นเปรตหรือไปตกนรกนี่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปผู้ที่ทำบาปก็เพราะเป็นผู้ที่ ใช้เงินใช้ทองตามความอยากเงินทองนี้ต่อให้มีมากน้อยเพียงไรถ้าใช้ต่างความอยากแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดจะต้องไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้เมื่อไม่มีความสามารถที่จะไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปก็ต้องไปทําบาปเพราะว่าถ้าไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ใช้เงินตามความอยากใจจะมีความทุกข์ทรมานมากดังนั้นเราต้องรู้ว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้เราต้องไม่ใช้ไปกับความอยากเพราะเป็นการพาให้จิตใจของเรานี้ไปสู่ความทุกข์นั่นเองให้เราใช้เงินทองเพื่อทำบุญทำกุศลดีกว่า เช่นมาทําบุญเอาเงินทองมาทําบุญซื้อกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยให้กับพระภิกษุสา ม, มเณรหรือเอาไว้ใช้เวลามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุขให้กับใจด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการมารักษาศีลแปดแล้วก็มา ปฏิบัติธรรมนั่นสมาธิทำใจให้สงบเอาเงินทองนี้มาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารใช้เงินทองแบบนี้จะเป็นการสร้างความสุขให้กับใจคือใช้เงินเพื่อซื้อบุญซื้อกุศลอย่าใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกติ้นกายเพราะเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขเดียเด่ยวๆแล้วก็หมดไปพอได้ดูได้ฟังมีความสุขพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังความสุขนั้นก็หายไปจึงต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆดูเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าได้มาปั๊บมันก็หมดไปมันไม่ฝังอยู่ในใจไม่เหมือนกับความสุขทางใจ ที่ได้มาแล้วมันจะฝังอยู่กับใจยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขมากจนกระทั่งมีความสุขเต็มร้อยถ้ามีความสุขเต็มร้อยแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปจะมีความสุขไปตลอดดังนั้นถ้าเรามีเงินมีทองขอให้เรารู้จักการใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายก็เอาเงินทองไว้ซื้อปัจจัยสี่เช่นซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหงซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยซื้อแบบพอประมาณพอใช้ได้ก็พอไม่ต้องหรูหราไม่ต้องมากมาย บ้านก็ขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอเสื้อผ้าก็ขอให้มีไว้สวนใส่ไม่ต้องมีมากเกินไปมีไว้พอใช้ก็พออาหารก็ซื้อมารับประทานพอประทานชีพไปวันวันหนึ่งอย่าไปหวังความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก ก็จะทำให้รับประทานแบบไม่มีขอดไม่มีเตและจะทำให้เสียเงินเสียทองมากเกินเกินไปและจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เพราะถ้ารับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายก็จะไปสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ร่างกายได้ทำให้ร่างกายนี้อายุสั้น อยู่ไม่ถึงวัยที่อันควรที่จะอยู่เพราะว่าความอยากอยากรับประทานไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวลามีเวลาการรับประทานอาหารนี่ควร่ารับประทานพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายนิ่งรับประทานพอรู้สึกอิ่มก็ควรจะหยุดอย่ารับประทานตามความอยากแ้่รับตามความอยากแล้ว รับประทานเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะทำให้ร่างกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะมีน้ำหนักมากเกินไปมีโรคเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันโรคเหล่านี้เป็นโรคเป็นผลที่เกิดจากการไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเราควรที่จะรับประทานพอประมาณ พอให้อยู่ได้ก็พออย่าเอาความสุขจากการรับประทานเอาความสุขจากบุญกุศลดีกว่าเอาความสุขมาจากการมานั่งทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขมากกว่าได้รับประทานอาหารตามความอยากนี่คือวิธีใช้เงินใช้ทองที่จะทำให้ไม่เกิดโทษกับเรา ไม่เกิดความทุกข์กับเราเกิดแต่ความสุขกับเราพอเราซื้อปัจจัยสี่พอเพียงแล้วถ้าเรายังมีเงินเหลือใช้อยู่ก็เอาเงินนี้ไปซื้อบุญซื้อกุศลกันเอาไปทำบุญใส่บาตรหรือว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมก็เอาไปไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายค่าที่พักค่าน้าค่าไฟค่าอาหาร แล้วมาปฏิบัติธรรมกันดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวก็ได้ความสนุกสนานเฮฮาพอกลับมาบ้านก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นอกจากความเหงาความว้าเหวความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดไปทำใจให้สงบไปทำใจให้มีความสุข เวลากลับมาบ้านความสุขใจก็ยังติดกลับมาด้วยจะทำให้ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นก็จะทำให้เงินทองนี่เหลือกินเหลือใช้เงินทองของเรานีส่วนใหญ่ไม่ได้หมดไปกับของจำเป็นแต่หมดไปกับความของที่ไม่จำเป็น ของที่เราอยากได้อยากซื้อกันเห็นอะไรพอถูกอกถูกใจก็อยากจะซื้อมาทันทีทั้งที่ไม่รู้ว่าซื้อมาทาไมบางทีซื้อมาเอามาประดับบ้านไว้เฉยๆเท่านั้นเองถ้าใช้เงินทองแบบนี้เดี๋ยวก็จะไม่พอใช้พอไม่ใช้ก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปสร้างความสุขทางใจ ี่เป็นความสุขที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ความสุขทางร่างกายนี้ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนี้ก็ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้จะหยุดความทุกข์ทางใจได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีจิตใจที่สงบนี้ จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะใจไม่ต้องการอะไรนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะคนที่มีความสุขใจอิ่มใจนี้ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นและก็ไม่มีอะไรที่จะได้จาก ไม่ได้ความสุขที่จะได้เหมือนกับได้จากการมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งทำใจให้สงบกันความสงบความสุขอันนี้แหละที่จะทำให้เรานี่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งมันถ้าเรามีความสุขทางใจ แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจเราก็ต้องหาความสุขทางร่างกายพาร่างกายไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อสิ่งของต่างๆมาดูมาฟังแต่ก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆแล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามความอยากได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวไม่ได้ อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ตอนนั้นก็จะเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีวิธีที่จะหาความสุขแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขให้กับใจด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเราจะมีบุญมีความสุขที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอร่างกายเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่บ้านได้อย่างสบายมีความสุขหรือเวลาเราไม่สบายนอนอยู่บนเตียงเราก็จะมีความสุขใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าไม่มีความสุขทางใจเราอยากจะมีความสุขผ่านทางร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์ทั้งสองส่วนทุกข์ทั้งทางร่างกายและทุกข์ทั้งทางใจอันนี้คือความแตกต่างของการใช้เงินที่เป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าใช้เงินไปตามความอยากนี้จะเป็นโทษจะทำให้ใจไม่มีที่พึ่งเวลาที่ไม่สามารถพึ่งร่างกายได้ ก็จะไม่มีอะไรพึ่งก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานเอาบุญนี้ไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดเอาเงินนี้ไปใช้กับการปฏิบัติธรรมใจก็จะมีความสุขแล้วเวลาที่ร่างกายไม่สบายหรือเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ ใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะมีความสุขแม้แต่เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนใจอย<ใ>จู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับการ หาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกต่อไปจะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกอยู่กับความสุขใจคือบ ร, รมสุขนี้เองนี่คือวิธีการใช้เงินใช้ทองให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราให้ใช้เงินเพื่อทำบุญทำทานเพื่อรักษาสี่ เพื่อปฏิบัติธรรมอย่าไปใช้เงินเพื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะนำไปสู่ความทุกข์เวลาที่เงินหมดหรือว่าเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำอะไรต่างๆตามที่ใจต้องการได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง เพราะนานๆจะมีคนอย่างทพตเจ้ามาตัสรุปความจริงอย่างนี้มารู้ว่าความสุขของใจเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เกิดจากการใช้เงินใช้ทองไปตามความอยากต่างๆอันนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ใจที่เวลา ที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราก็จะคิดว่าเป็นวิธีหาความสุขกันหาความสุขมาหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อความสุขผ่านทางร่างกายกันแต่แล้วเราผลที่เราได้รับเป็นอะไรเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่เวลาร่างกายแก่เป็นอย่างไรเวลาร่างกายเจ็บเป็นอย่างไรเวลาร่างกายตายเป็นอย่างไร เวลาล่างกายพี่กลนพี่กายไปเป็นอย่างไรเวลานั้นเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่ในพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานาจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้อย่างง่ายดายใช้เวลาหลายร้อยล้านแสนล้านปีด้วยกัน ถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาเอาความรู้พิเศษนี้มาสั่งสอนพวกเราสั่งสอนให้พวกเรารู้จักวิธีหาความสุขโ ด, ดยการใช้เงินไปกับการทําทานใช้เงินไปกับการรักษาศีลใช้เงินไปกับการปฏิบัติธรรมวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราหมดทุกข์ จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนานๆจะได้มีความรู้อย่างนี้มาสั่งสอนพวกเราถ้าเราไม่นำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้อย่างนี้แลวเวลาตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่มีความรู้อย่างนี้อีกก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และคําสอนของพ่อตาเจ้านี้จะหมดไปจากโลกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่พวกเราจะสามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราได้ระดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ยึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันงามนี้ให้หลุดมือไป ขอให้พยายามตักตัวโอกาสที่เราจะได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะได้สร้างความสุขอันนี้ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้